คำภีวิสุทธิมรรคปริเชทที่ส6หอินทริยสัจจนิเทศอินทริยนิเทศส่วนว่าอินซียี่สิบสองคือจากขุนซีโสตินรีคานินรีชิวอินรีกายินรีมานินรีอิทินรีปุริสินรีชีวิตินรีสุขินรีทุกขินรี สมณสินสีทมมณสินสีอุเปกินสีสัตทินรีวิริยินรีสัตทินสีสมาทินรีปัญยินรีอนัญญาตัดยสามีตินรีอัญยินรีและอัญญาตาวินรีชื่อว่าอินรีที่ยกขึ้นแสดงไว้ถัดจากธาตุบัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในอินรีทั้งหลายนั้นโดยอัฐะโดยลักษณะเป็นต้น และโดยลำดับโดยแยกประเภทและไม่แยกประเภทโดยกิจและโดยภูมิโดยอัถะในอินทรีย์ทั้งหลายนั้นเบื้องแรกอัถะแห่งอินทรีย์ทั้งหลายมีจักขคุเป็นต้นชัดแจ้งตามในย่ที่กล่าวมาแล้วในอายตนะนิเทศว่าธรรมชาติใดย่อมเห็นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจาักขคุ ดังนี้เป็นต้นส่วนในอินทรีสามข้างท้ายข้อแรกตรัสเรียกว่าอนัญญาตัญญาสามีตินรีเพราะเกิดแก่บุคคลผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งอย่างนี้ว่าเราจะรู้ซึ่งอมตะบทหรือว่าซึ่งสัจธรรมสีที่ยังไม่รู้ในบุพภ า, พาคคือก่อนโสดาปติมักและเพราะมีอัฏถะ คือสภาวะแห่งความเป็นอินทรีย์ใหญ่ยิ่งอยู่พร้อมด้วยข้อสองตรัสเรียกว่าอัญญีเพราะรู้ชัดด้วยมรรคและเพราะมีอัถฐแห่งความเป็นอินทรีย์อยู่พร้อมด้วยข้อสามตรัสเรียกว่าอัญญาตาวินทรีเพราะเกิดแก่พระขีนาสก ผู้รู้ทั่วถึงคือมียาณกิจในสัจจะสี่สำเร็จแล้วและเพราะมีอัถะแห่งความเป็นอินทรีย์อยู่พร้อมด้วยถามว่าอะไรเล่าชื่อว่าอัถะแห่งความเป็นอินทระแห่งอินทรีย์เหล่านั้นแก้ว่าอัถะแห่งเครื่องหมายของสิ่งที่เป็นใหญ่ยิ่งคือกรรมชื่อว่าอัถ แห่งความเป็นอินทระอัฏฐะแห่งสิ่งที่ท่านผู้เป็นใหญ่ยิ่งคือพระพุทธเจ้าแสดงไว้ชื่อว่าอัฏฐะแห่งความเป็นอินทระอัฏฐะแห่งสิ่งที่ท่านผู้เป็นใหญ่ยิ่งคือพระพุทธเจ้าได้เห็นคือรู้ชื่อว่าอัฏฐะแห่งความเป็นอินทระอัฏฐะแห่งสิ่งที่เป็นใหญ่ยิ่งคือกรรม จัดให้เกิดขึ้นชื่อว่าอัฏฐะแห่งความเป็นอินทระอัฏฐะแห่งสิ่งที่ท่านผู้เป็นใหญ่ยิ่งคือพระพุทธเจ้าใช้สอยชื่อว่าอัฏฐะแห่งความเป็นอินทระอัฏฐะทั้งปวงนั้นใช้ได้ตามที่ควรใช้ในอินทริยานิเทศนี้แท้จริงพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าอินทระเพราะทรงมีความเป็นใหญ่ยิ่งอันหนึ่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็ชื่อว่าอินทระเพราะไม่มีใกรๆเป็นใหญ่ในกรรมทั้งหลายแต่กรรมเป็นใหญ่ยิ่งเพราะเหตุนั้นในอินทรีย์ทั้งหลายนั้นว่าถึงอินทรีย์ทั้งหลายกรรมให้เกิดก่อนคืออินทรีย์ที่กรรมให้เกิดนั้น ย่อมส่อคือให้รู้กรรมทั้งที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมและมันก็เป็นสิ่งที่กรรมนั้นจัดให้เกิดขึ้นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอินทรีย์เพราะอัตถวสอคือให้รู้ถึงสิ่งเป็นใหญ่ยิ่งคือกรรมจัดให้เกิดขึ้นด้วยอันหนึ่งอินทรีย์ทั้งหมดนั่นแหละ เป็นสิ่งอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศขึ้นและเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้เองด้วยตามที่เป็นจริงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอินทรีย์เพราะอัฏฐว่าเป็นสิ่งอันท่านผู้เป็นใหญ่ยิ่งคือพระพุทธเจ้าแสดงขึ้นไว้ด้วยเพราะอัฏฐว่าเป็นสิ่งอันท่านผู้เป็นใหญ่ยิ่งคือพระพุทธเจ้าได้เห็นคือตรัสรู้ด้วย อันหนอินทรีย์เหล่านั้นบางอย่างพระผู้มีพระภาคผู้เป็นมุนีใหญ่ยิ่งพระองค์นั้นและทรงใช้สอยโดยใช้เป็นโคจระหรือโคจรคือเป็นอารมณ์บางอย่างทรงใช้สอยโดยใช้ทางภาวนาคือทรงทําให้มีขึ้นเช่นสัตว์ทินทรีย์เป็นต้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอินทรีย์เพราะอัตถว่า เป็นสิ่งที่ท่านผู้เป็นใหญ่ยิ่งใช้สอยด้วยประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจากสุเป็นต้นนั้นชื่อว่าอินทรีย์เพราะอัฏฐะแห่งความเป็นใหญ่ยิ่งได้แก่ความเป็นอธิบดีคือเป็นอินทรียปัจจัยสนับสนุนโดยความเป็นใหญ่จริงอยู่ความเป็นอธิบดีแห่งจากสุเป็นต้น ชื่อว่าสมัมฤทธิผลในความเป็นไปแห่งจักขุวิญญาณเป็นอาธิเพราะเมื่อมันกล้าวิญญาณก็กล้าและเพราะเมื่อมันอ่อนวิญญาณก็อ่อนแลนี่เป็นวินิจฉัยโดยอัฏฐะในอินทรีย์ทั้งหลายนั้นเป็นอันดับแรก โดยลักษณะเป็นต้นข้อว่าโดยลักษณะเป็นต้นความว่าพึงทราบวินิจฉัยแห่งจากสุเป็นต้นโดยลักษณะรสะหรือรสปัจจุปปัฏฐานและปทัฏฐานด้วยก็แลลักษณะเป็นต้นของจากสุเป็นอาทินั้นได้กล่าวไว้แล้วในขันธนิเทศ ส่วนอินทรีสี่ข้างท้ายมีปัญญียีเป็นต้นโดยความก็คืออโมหะนั่นเองอินทรีที่เหลือก็มาแล้วโดยสรุปในขันธนิเทศนั้นเหมือนกันแลโดยลำดับแม้ลำดับในข้อว่าโดยลำดับนี้ก็เป็นลำดับแห่งการแสดงเหมือนกันในอินทรีทั้งหลายนั้นอินทรีหกมีจากขุนสีเป็นต้น อนับเข้าในอัตภาพพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงก่อนเหตุว่าความได้อริยภูมิย่อมมีเพราะกําหนดรู้ธรรมะภายในตนของตนอัตภาพนั้นเล่าถึงซึ่งการนับว่าหญิงก็ดีว่าชายก็ดีเพราะอาศัยธรรมะอันใดเพื่อจะทรงชี้ว่านี่ธรรมะอันนั้น จึงทรงแสดงอิทธินีและบุริสินีเป็นลําดับไปต่อ น, นั้นทรงแสดงชีวิตตินีเพื่อให้ทราบว่าแม้ธรรมะทั้งสองอย่างนั้นก็มีความเป็นไปเนื่องด้วยชีวิตตินีถัดไปทรงแสดงอินรีห้ามีสุ ข, ขินีเป็นต้นเพื่อให้ทราบว่าความเป็นไปแห่งชีวิตตินีนั้นยังมีอยู่ตราบใด ความไม่กลับคือไม่ดับแห่งความสวยอารมณ์เหล่านั้นก็ยังมีอยู่ตราบนั้นและความสวยอารมณ์ทุกอย่างนั้นก็ล้วนเป็นทุกข์ต่อ น, นั้นทรงแสดงอินทรีห้ามีสัตทินรีย์เป็นอาทิเพื่อชี้ข้อปฏิบัติว่าอันธรรมะมีศรัทธาเป็นต้นนั่นพึงบำเพ็ญขึ้นเพื่อความดับแห่งความสวยอารมณ์นั้น ลำดับนั้นทรงแสดงอนัญญาทัญญัตสามีตินีเพื่อแสดงความไม่เปล่าประโยชน์แห่งการปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัตินี้ธรรมะนั่นจึงเกิดปรากฏขึ้นในตนเป็นปฐมแต่นั้นทรงแสดงอันยินีเพราะเป็นผลของอนัญญาทัญญัตสามีตินีนั่นเองและเพราะเป็นธรรมะพึงบำเพ็ญติด ต, ต่อกันไปด้วย ในที่สุดทรงแสดงอัญญาตาวินศีอันเป็นบรมอัศะคือที่โล่งใจอย่างยิ่งเพื่อให้ทราบว่าความบรรลุธรรมอันนี้ย่อมมีได้ด้วยภาวนาตอนนั้นไปก็แลครั้นธรรมะอันนี้พระโยคียได้บรรลุก็ไม่มีกิจที่จะต้องทำยิ่งขึ้นไปอะไรอีกเลยแลนี่เป็นลำดับ ในอินทรีย์ทั้งหลายนี้โดยแยกประเภทและไม่แยกประเภทก็ในข้อว่าโดยแยกประเภทและไม่แยกประเภทนี้ชีวิตอินทรีย์อย่างเดียวมีการแยกประเภทเพราะชีวิตอินทรีย์นั้นมีสองคือรูปแบชีวิตตินทรีย์ หรือรูปชีวิตอินทรีย์และอรูปปาชีวิตอินทรีย์หรืออรูปชีวิตอินทรีย์อินทรีย์ที่เหลือไม่มีการแยกประเภทเลยละพึงทราบวินิจฉัยโดยแยกประเภทและไม่แยกประเภทในอินทรีย์ทั้งหลายนี้ดังกล่าวเชนี้โดยกิจ ข้อว่าโดยกิจมีความว่าหากมีคำถามว่าอะไรเป็นกิจแห่งอินทรีย์ทั้งหลายดังนี้ไซค้าเฉลยพึงมีว่าโดยพระบาลีว่าจักายตนะเป็นปัจจัยคือเป็นอุปการะธรรมโดยเป็นอินทรียปัจจัยแก่จักรวิญญาณธาตุและแก่ธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับจักรวิญญาณธาตุนั้นดังนี้ การที่ยังธรรมะทั้งหลายมีจกักขูวิญญาณเป็นอาธิให้เป็นไปตามอาการของตนที่ได้แก่อาการกล้าและอ่อนเป็นตน้นอันจะพึงให้สำเร็จด้วยความเป็นอินทรียปัจจัยและด้วยความที่ตนมีอาการกล้าและอ่อนเป็นอาธิด้วยนั้นใดเป็นกิจแห่งจกักขุนซีเป็นอันดับแรกกิจแห่งโสตินซีคาณินซีชิวหินรีและกายินรีก็มีในยะอย่างนั้น แต่ว่าการยังสหาชาติธรรมทั้งหลายให้เป็นไปในอำนาจของตนเป็นกิจแห่งมะนิสีการที่คอยเลี้ยงสหาชาติธรรมไว้เป็นกิจแห่งชีวิตตินซีการที่คอยจัดแจงเครื่องหมายเพศและอาการแห่งจริตและการแต่งกายแห่งหญิงและชายเป็นกิจแห่งอิทถินซีและปุริสินซี การที่คอยครอบงำสหาชาตรธรรมทั้งหลายไว้เสียมีให้ปรากฏแล้วยังสหาชาตรธรรมนั้นให้ถึงซึ่งอาการหยาบคือปรากฏชัดออกมาตามหน้าที่ของตนของตนเป็นกิจแห่งสุขขินรีทุกขินสีโสมนสินรีและโทมนาสินรีการที่คอยยังสหาชาตรธรรมทั้งหลายให้ถึงซึ่งอาการเป็นกลางกลางอันเป็นอาการที่ละเอียดประณีต เป็นกิจแห่งอุเปกินรียการที่ครอบงำเสียซึ่งปฏิปักษขธรรมคือธรรมะฝ่ายตรงข้ามมีอสัตถิยะเป็นต้นและอย่างสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายให้ถึงซึ่งความมีอาการเลื่อมใสเป็นอาทิเป็นกิจแห่งอินทรีห้ามีสัจทินรียเป็นต้นการละสังโยตสามขั้งต้น และการทาสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายให้มีความมุ่งหน้าต่อการละสังโยชน์สามนั้นด้วยเป็นกิจแห่งอนัญญาตัญญาสามีตินีการละโดยทมสังโยชน์ที่เหลือมีการมราคะาและพยาบาทเป็นต้นให้เบาบางลงไปและการยังสหาชาตธรรมทั้งหลายให้เป็นไปในอำนาจของตนด้วยเป็นกิจแห่งอัญญี การละเลิกความขวนขวายในกิจคือละสังโยชน์ทั้งปวงและความเป็นปัจจัยให้สัมปยุตรธรรมทั้งหลายมีความมุ่งหน้าต่ออมตะธรรมด้วยเป็นกิจแห่งอัญญาตาวินศรีพึงทราบวินิจฉัยโดยกิจในอินทรีย์ทั้งหลายนี้ดังกล่าวมาชะนี้โดยภูมิ ข่อว่าโดยภูมิความว่าก็ในอินทรีย์ทั้งหลายนี้จากขุณศีโสตินศีคานินศีจิวหินศีกายินศีอิถินศีปุริสินรีสุขหินศีทุกขินศีและโทมันนรียรวมเป็นสิบเป็นกามาวจรแท้มนินรีชีวิตตินศีอุเปกหินศี และสัตทินรีวิริยินรีส ต, ตินรีสมาธิินรีและปัญญินรีรวมเป็นแปดเนื่องไปในภูมิทั้งสี่โสมนัสินสีเนื่องไปในภูมิสามโดยเป็นกามาวจรก็มีรูปาวจรก็มีโลกุตระก็มีอินรีสามขั้นท้ายเป็นโลกุตระแท้ บัรดิตพึงทราบวินิจฉัยโดยภูมิในอินทรีย์ทั้งหลายนี้ดังกล่าวมาชนิดด้วยด้วยว่าภิกษุผู้ทราบอย่างนี้อยู่จะเป็นผู้มากไปด้วยความสังเวชตั้งอยู่ในอินทรียสังวรกำหนดรู้อินทรีย์ทั้งหลายแล้วทําที่สุดทุกได้แล นี้เป็นคาถากอย่างพิสดารแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย